นะียิ่งโดยเฉพาะบอกแล้วยิ่งจะไปให้ขุมทรัพย์ท่านนะท่านก็ฉันอยู่อย่างเงี้ยวัยกไว้ก่อนเดี๋ยวรอเวลาหน่อยก็ได้นี่หรือแม่แต่จะใช้คําว่าจะถวายขุมทรัพย์ท่านนะเนะี่ยจะถวายก็ตามมันก็ต้องดูกาลเทศสาเหมือนกันเอาข้อที่สองพรเจ้าทันตรัสว่าเราจะกล่าวตักเดือนด้วยคําจริงจะไม่กล่าวด้วยคําไม่เป็นจริงนะซึ่งจริงๆอันนี้เนะ่ะแน่นอนอยู่แล้วละ่ะ อาตมาว่าเรายิ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะไปติงเตือนใครเนี่ยเราต้องพูดคําที่ไม่โป๊โปดไม่มดเท็จอยู่แล้วนังจะต้องเป็นเป็นคำที่ถูกต้องถูกตรงจะไปบิดเบือนไปแกล้งว่าอะไรได้ยังไง ม, มันไม่ได้ไม่ไม่อย่างนั้นก็ไปผิดศีลก็สีสิเพราะฉะั้นเราจะยิ่งจะติงเตือนเขาเนี่ยนะเะฉันก็ยิ่งยิ่งต้องเป็นคําที่ถูกต้องกับ ความเป็นจริงแต่อันเนี้ยส่วนใหญ่อัตมาว่าเราไม่ค่อยคิดอ่ะเพราะว่าเราคิดว่าเราพูดตรงอ่ะเราก็คิดว่าเราพูดถูกอยู่แล้วแต่โดยความเป็นจริงนะ่ยมันไม่อย่างนั้นนะว่าส่วนใหญ่เนี่ยอัตมาสังเกตจากบางทีคนมาเล่าเหตุการณ์อะไรยังต่างาเนี่ยหนีไม่พ้นเลยลายไหนก็ลาย น, นั้นนะยิ่งๆอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็อยู่ในอะไรนะมีส่วนร่วมอะไรต่ออะไรอยู่ด้วยเนี่ยมันจะมีอารมณ์หรือว่ามี กิเรสมีความคิดของตัวเองเนี่ยอยู่ด้วยเพราะนบางทีเนี่ยพอมาเล่าหรือว่ามารายงานให้ฟังหรือบางทีเนี่ยเราจะเอาความคิดเห็นของเราเนี่ยใส่เข้าไปร่วมอยู่ด้วยสมมติว่าถ้าเราไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบคนนั้นเวลาเรามาเล่าถึงความไม่ดีความบกพร่องของคนนั้นเนี่ยมันหนีไม่พ้นเลยนะถ้าคุณไม่มีสติไม่คอยเตือนเอาไว้เนี่ยมันจะเอาความไม่ชอบของเราที่เรามีมีอยู่ก่อนแล้วด้วยเนี่ย มันจะปนเข้าไปภาษาทั่วไปเราเรียกว่าใส่ไข่หรือว่าเติมสีบ้างเพียงแต่ ว, ว่ามันอาจจะไม่ได้โอ้โหใส่ไข่หลายฟองนะหรือว่าไม่ได้เติมสีซะเข้มข้นแต่เผลอมักจะเผลอคุณจะไม่ได้พูดไปตามตามความเป็นจริงที่ที่เราเห็นคือเราไม่ไม่วายที่เราจะใส่ความคิดของเราเข้าไปอยู่ในนั้นอยู่เรื่อย ซึ่งตอนนี้ไอ้ความคิดเราเนี่ยถ้าไปในทางชอบนะเราก็พูดไปในทางบวกใช่ไหมแต่ถ้าในทางไม่ชอบคนนั้นเราก็พูดเสริมไปในทางลบเพราะนั่นอันเะนี้ยนั้นท่านถึงบอกว่าเนี่ยเวลาเราจะติงเตือนใครเนี่ยต้องพยายามนะโดยเฉพาะถ้าคุณไม่แน่ใจไม่มั่นใจพระเจ้าถึงสอนไว้เลยว่าคุณกลัวว่าเอ๊ดเดี๋ยวพูดแล้วมันจะไปใส่ไขเขาแล้วก็จะไปเกินความจริง วันถ้าคุณกลัวเกินความจริงเนี่ยคุณพูดลดลงมาได้เพราะอาจมาบอกแล้วว่สยาส่วนใหญ่พูดแล้วเนี่ยมันถ้ายิ่งไม่ชอบนี่นะเนี่ยจะติงเตินเนี่ยยิ่งไม่ชอบเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกินความเป็นจริงมันพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะสอนว่าพูดน้อยลงมาได้ถ้าเวลาไปติไปว่าใครเนี่ยคุณพูดน้อยลงมาได้เพราะบางทีเนี่ยคุณพูดน้อยลงมาเนี่ยนะมันจะ เป็นความจริงที่พอดีถ้าคุณมีสติคอยเตือนตัวเนี้ยคุณจะพูดความจริงคุณจะติงคนนั้นได้พอดีมากกว่าเหมือนกับอาตมาเคยเปรียบเทียบเหมือนกับคนเราเวลาเนี่ยอย่างเช่นเราจะกินอาหาร mm hmm. คุณหยิบอาหารมาเพื่อที่จะมากินเนี่ยนะ mm hmm. สมมติกินสไตล์อโศกเนี่ยนะกินแบบรูปแบบของอโศกเนี่ย mm hmm. แล้วก็หยิบจยิบๆ ย, ยิบมาใช่ไหมแล้วก็มากินรวดเดียวคราวเดียวเลยหยิบแล้วก็เลิกกันไง ส่วนใหญ่เนี่ยอาตมาถามคุณะว่าคุณจะหยิบมาเผื่อหรือคุณจะหยิบมาให้ขาดฮะส่วนใหญ่เนี่ย <c oughs> ไม่มีใครหยิบมาเพื่อให้ขาดหรอกใช่ไหมส่วนใหญ่จะหยิบมาเผื่อ่อยังไงน้อยก็เผื่อสักนิดเผื่อสักหน่อยก็ยังดีถูกต้องไหมโดยโดยเนี่ยเนี่ยกิเลสเรามันมีอันนี้อยู่ก็เหมือนกันเนี่ยยกตัวอย่างาวันคราวไหนเนี่ยใครเนี่ยหยิบมานะคราวนี้ให้มันให้รู้สึกว่าเออขาดหน่อยๆนั่นแหละ นั่นแหละจะคือพอดีถ้าใครหยิบมาเนี่ยนะให้ขาดน้อยๆ น, นั่นแหละคือคือความจริงที่ถูกต้องที่สุดเหมือนกันเลยในเรื่องที่เราคนนี้เราไปติติงคนอื่นเขาคุณจําไว้เลยว่เออพูดน้อยลงมาหน่อยนะแทนที่คุณจะโอ้โหพูดเขาเต็มที่อย่างนี้อย่างนี้นะเพราะยิ่งเรารู้ตัวว่าเราก็ไม่ค่อยชอบที่หน้าคนที้อยู่แล้วคุณพูดน้อยลงมาอาตมาว่านั่นแหละคุณจะได้ความพอดีที่ถูกต้องเป็นจริงได้ ชัดเจนแล้วก็ได้มากขึ้นกว่าเดิมแ ล, แล้วนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่พระเจ้าท่านก็สอนเอาไว้ด้วยแล้วมันก็ทําให้คนที่เขารับเราไปเนี่ยนะบางทีเขารู้จะซ้ําไปนะว่าโอ้โหเรารู้มากกว่านั้นนะแต่เราก็เอาบางทีเราติงเขาเราว่าเขาในประเด็นสําคัญในจุดสําคัญบางทีปีกย่อยเราก็เว้นไว้บ้างใช่ไหมให้เขามีเขาเรียกว่าให้มีลูหายใจบ้างให้เขามีทางออกให้เขามีทางผ่อนคลายบ้าง นะ่ไม่ใช่โอ้โหไปไล่เขาจนกระทั่งเขาจนตรอกนี่คนคนจนตรอกนี่ก็เหมือนหมาจนตรอกเหมือนกันนะโอ้โหสู้นะบอกให้รู้เนีเพราะฉะนั้นคุณว่าเขาว่าเข า, ว, า, เขาว่าเขาเนี่ยต่อให้เขาผิดจริงด้วยอะแต่ถ้าเขารู้สึกจนตรอกนี่เขาไม่ยอมอะเขาก็สู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแทนที่บางทีมันจะได้ผลมันมันไม่ได้ผลเลยกลายเป็นทะเลาะบบาแบงก็ได้นะเอาอันนี้เป็นข้อที่สอง ส่วนข้อที่สามนะท่านก็นบอกว่าจะกล่าวตักเตือนด้วยคาที่สุภาพจะไม่กล่าวด้วยคําหยาบนะคำที่สุภาพซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วส่วนใหญ่เวลาที่เราจะว่ากล่าวใครเขาะจะเตือนใครเขาเนี่ยถ้าเรายิ่งใช้คํหยาบหยาบยิ่งใช้คําแรงแรงที่พูดไปแล้วเนี่ยโอ้โหบาดเสียดแทงหัวใจเขาจนเกินไปนี่ พอให้คุณพูดมาถูกต้องเนี่ยเขาเขาไม่ยอมรับหรอกกิเลสคนเรามันมีอ่ะถ้าคุณว่าพระอาหารหันต์ท่านคงไม่มีปัญหาแต่ส่วนใหญ่ที่คุณไปว่าเนี่ยไม่ใช่พระอาหารหันต์อยู่แล้วอ่ะนะเพราะฉะนั้นระวังหน้าคุณหันเพราะเขาขึ้นมาเขาโกนนี่เขานะตบคุณก็ให้หน้าคุณหันเลยนะคราวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยจะต้องจะต้องรู้ยังไงเนี่ยคุณติงเตือนสุภาพไว้ก่อนนะ คุณปลอดภัยคุณปลอดภัยเพราะนั้นใช้คำสุภาพแต่ส่วนใหญ่เนี่ยอะไรที่ทำให้เราไม่สุภาพส่วนใหญ่เนี่ยเราจะติเราจะว่าใครเนี่ยแล้วทำทาให้เราพูดไม่สุภาพเนี่ยส่วนใหญ่เพราะอะไรเออเราไม่ชอบใจเราบุดหงิดนะเราถือสาเราเริ่มโกรธหรือว่าเริ่มเริ่มเกลียดชังแล้วก็ว่าว่าว่าว่าอันนี้โอ้โหคาหยาบคาอะไรก็ ออกมาเป็นกระพวนกระพวนส่วนใหญ่ที่แล้วเราจะขาดสติอันนี้เพราะฉะนั้นสุภาพอันนี้ก็คือเนี่ยเยให้คอยเตือนสติเราเพราะว่าถ้าเรามีสติอันนี้เนี่ยเราก็จะเตือนด้วยคําพูดที่จริงๆแล้วเตือนด้วยคําที่สุภาพเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่แม้ต้องไพเราะเพราะพิงไอ้ถ้าเตือนอย่างนั้นเนี่ยสมมุติว่าเตือนแบบภาษาชาววังเขาเรียกเตือนแบบภาษาชาววังนะสมมุติว่าอะไรอ่ อย่าทิ้งขยะอย่าทิ้งของสกปรกอะไรอย่างเงี้ยนะเราเตือนเตือนแบบนุ่มมากเลยนะอะไรนะกรุณาเก็บชิ้นส่วนของท่านหรืออะไรเนี่ยนะก็คือแหมไอ้ถ้ามันมันมันเบอร์มันเกินไปจนกระทั่งเหมือนกับโอ้โหกลายเป็นไม่กล้าติไม่กล้าว่าเลยไม่มีผลเลยเหมือนกันนะมันมันมันนุ่มนิมมันนุ่มเนี่ยมจนเกินไปมันมันไม่ได้ผลหรอก ใช่ไหมเราก็ติแล้วก็ว่าจริงๆอ่ะแหละแต่ว่าพยายามสุภาพพยายามอย่าไปว่าหยับยาบว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราว่าหยับหยาบไปเนี่ยบางทีคนที่เขาโดนติเนี่ยเขารู้สึกว่าคนนี้ใช่อารมณ์คนนี้โกรธคนนี้ว่าเขาแบบนี้เหตุผลนี่บางทีเขาไม่ฟังเลยนะต่อให้คุณว่าถูกเนี่ยแต่เหตุผลเขาไม่เอาแล้วเขาบอกนี่นี่ี่ใส่อารมณ์อย่างนี้เขาเขาไม่รับหรอกเขาเอาอย่างนี้เลยอ่ะ เพราะฉะนั้นอันเนี้ยทาไมอ่ะต้องต้องสูภาพสุภาพเพราะว่ามันจะทําให้เขารู้ว่าเราสงบนะนี่เราไม่ได้ไปกรธเกียดอะไรเขานะ เ, าเราถึงพูดอย่างนี้ได้ไงด้วยด้วยสภาวะที่มันมันสงบได้ไม่ใช่ใช้อารมณ์ใส่เขานะอันนี้ก็เป็นข้อที่สามนะที่ต้องให้ใช้ถ้อยคําสุภาพส่งข้อที่สี่จะกล่าวตักเตือนด้วยคําประกอบด้วยประโยชน์ ไม่กล่าวคําไร้ประโยชน์ประเด็นนี้ก็สำคัญคือมีือนกันบางคนเนี่ยติงเตือนไปเนี่ยถูกต้องด้วยคําก็สุภาพด้วยนะแล้วก็เป็นคาจริงด้วยนะแต่ปรากฏว่าเออเอเป็นเป็นถูกกาละเทศะด้วยนะคือเหมาะกับกาละด้วยนะแต่ปรากฏว่าไอ้ที่ว่าเข้าไปเนี่ยไม่มีไม่มี ประโยชน์ไม่มีผลที่จะอะไรเกิดขึ้นเลยเหมือนกับเขาเองเขาก็ไม่ใส่ใจเขาก็ไม่สนใจอะไรเลยอย่างเงี้ยนะคือคือเราพูดไปเหมือนพ่อท่านเคยยกตัวอย่างว่าบางทีเนี่ยต่อให้สมณะเทศให้ญาติโยมฟังเนี่ยแต่ปรากฏว่าญาติโยมไม่ฟังเลยนะเทศดีนะสมมติว่าอาตมากลังเทศเนี่ยเทศดีนะตโยม คุยกันโยนหลับมั่งโยนไม่สนใจที่จะฟังเลยพ่อท่านก็นบอกว่าเนี่ยเพอเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเพอเจอร์อยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีใครเขาฟังเลยโอ้มันไม่มีประโยชน์ใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วติงเตือนไปทําไมเราอย่างงี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยพูดไปยังไงเขาก็ไม่ใส่ใจเขาไม่สนใจเลยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเหนื่อยเป ล, ล่าแล้วเผลอๆ เ, เ, เขาก็ว่าเราเพอเจอร์ได้ด้วยนะท่านแม่บอกเทพไปทําไมเนี่ย เทพไปแล้วเขาไม่รับอ่ะเหมือนพ่อแม่บางคนเนี่ยสอนลูกสอนลูกว่าว่าว่าตีตีตีใช่ไหมแต่เด็กมันไม่เอาเลยอ่ะมันมันเบื่อมันมันไม่ชอบแล้วมันพอแม่อาปากเขานะมันรู้แล้วจะพูดอะไรจะว่าอะไรแล้วมันไม่ใส่ใจแล้วมันไม่สนใจแล้วนะคุณก็ว่าอยู่น่ะคุณก็ว่าอยู่น่ะแต่มันไม่เอาด้วยแล้วล่ะแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรก็มีแต่ยิ่งทําให้บรรยากาศหรือว่าทําให้ การถือสาหรือว่าทําให้ความไม่ศรัทธาก็ยิ่งยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นไม่เกิดประโยชน์เพราะแม้อย่างนี้คุณคิดดูนะเนี่ยถ้าไม่เกิดประโยชน์อย่าพูดเลยดีกว่าติงเตือนไปก็เท่านั้นนะถ้าไม่เกิดประโยชน์แต่มีเหมือนกันบางคนเนี่ยจะมาบอกให้ฟังยังไม่ทําติงเตือนเขาเลยคิดข้อนี้เลยยังไม่ทันติงเตือนใครเลยนะคิดข้อนี้ก่อนเลยว่าไม่เกิดประโยชน์ เพราะจริงๆแล้วคือคนนี้ไม่กล้าหรือว่าขี้เกียจที่จะติงเตือนเลยเอาข้อนี้มาอ้างเพื่อที่ให้ตัวเองเนี่ยจะได้ไม่ไปเตือนเพื่อนฝูงไม่ไปเตือนคนรอบข้างเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองขี้เกียจติงเตือนใครเขาเอาแต่ตัวเองนะเอาแต่ตัวเองรอดเท่านั้นแต่คนอื่นเขาทําบกพร่องบ้างทําไม่ดีบ้างทําผิดพลาด บ, บ้าง ไม่ยอมติงเตือนใครเลยอยู่ในโลกของตัวเองคนเดียวอันนี้ไม่ใช่าศาสนาพุทธนะบอกให้รู้ไว้ด้วยเลยาศาสนาพุทธนี่มีมิตรดีสายดีแล้วมิตรดีสายดีก็คือเนี่ยต้องให้คุ้มทรัพย์กันต้องมีการติงเตือนกันต้องมีการว่า ก, กล่าวกันนี้ถึงจะเป็นาศาสนาพุทธเพราะเราเห็นเพื่อนทาบกพร่องทาผิดพลาดทาไม่ดีล้วก็ปล่อยเอา้าช่างช่างช่างเ เพราะว่าเดี๋ยวเตือนไปแล้วเดี๋ยวเขารับไม่ได้หรือเขาไม่ยอมรับทั้งท้งที่ยังไม่ทําอะไรเลยคิดคิ ด, คดเสร็จสับผลสรุปก็คือไม่เตือ น, <c oughs> นก็ปล่อยสิเพรา ะ, ะนั้นถ้าเพื่อนทําผิดก็ผิดไปเรื่อยผิดไปเรื่อยจากบางทีผิดเล็กเล็น้อยบางทีเราปล่อยไปเรื่อยปล่อยไปเรื่อยก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนตอนหลังเขาทําผิดมากขึ้นคราวนี้มันไม่ต้องเตือนแล้วนี่คราวนี้เพราะอะไรถ้าผิดหนักถึงขั้นผิดศีลหลกักๆผิดศีลใหญ่ๆคราวนี้ไม่มีโอกาสได้เตือนแล้ว คราวนี้ก็คุณผิดศีลหนักผิดศีลอยาบขนาดนี้ก็ออกจากบูกลุ่มไปได้เลยนะอยู่วัดไม่ได้หมดโอกาสเตือนเลยคราวนี้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยนะถ้าเราเองถือว่าเราเป็นบูกลุ่มที่ปฏิบัติทำในสายพุธมีมิตร ด, ดีสายดีพยายามนะช่วยเตือนกันแล้วมันได้ฝึกด้วยเนี่ยฝึกเดี๋ยวนี่ยฝึกห้าข้อเนี้ว่าเราเนี่ยจะได้เออฝึกเตือนคนอื่นให้เป็น มันบางคนนี่มาอยู่วัดนานหลายปีแล้วก็จริงเ<ม>ตือนไม่เป็นหรอกเพราะเตือนทีไทรทะเลาะกันทุกทีเตือนใครไปก็ทะเลาะกันทุกทีนี่แสดงว่าเตือนไม่เป็นแล้วคุณก็ยังยังอาจจะไม่เคยศึกษาห้าข้อนี้มาเลยของพอระพุทธเจา้าสอนไว้เพราะนั้นเลยเตือนใครแล้วอยู่ร่วมกับใครเขาไม่ได้ในที่สุดเลยต้องหุบ ป, ปากเลยคราวนี้จริงๆเลยแต่พอหุบ ป, ปากแล้วสังคมมันไปไม่รอด เพราะใครทาผิดก็ก็ปล่อยไปใครทาผิดก็ปล่อยไปไปรอดได้ยังไงไปไม่รอดหรอกเพราะนั้นสังคมพุทธนี่จะไปรอดเพราะว่ามีการติงเตือนกันนะเอาอันนี้เป็นข้อที่สี่นะเรื่องของประโยชน์ส่วนข้อที่ห้านะจะกล่าวตักเตือนด้วยมีเมตตาจิตจะไม่มุ่งร้ายกล่าวอันนี้เนี่ยนะส่วนใหญ่อาตมาอยากจะเน้นมาในทางเรื่องของ ศีรษะสีตานะบุคลิกลีลาท่าทางในการเตือนอย่างบางคนเนี่ยเตือนคนอื่นเนี่ยนะเตือนโดยอย่างนี้นะเวลาเตือนเนี่ยเนี้ยเนี้ยยใช้ใชใช้นิ้วชี้เนี่ยนะชี้ด้วยแม้ทามืออย่างนี้แล้วนึกถึงนดนถุกถ้าชี้โดนใครนี่ตายนะเออใครเคยฟังมาเรื่องรบักเกียนเรื่องอะไรของเขาอะ่ะ นะซึ่งอันนี้คือนี่ น, นี่พูดถึงบุคลิกลีลาหรือบางทีโอ้โหบางคนเตือนคนอื่นเนี่ยเอาละมือไม้ไม่ออกหรอกโอ้โหแต่หน้าตานี่นะแทบจะเวลาพูดวันนี้เคี่ยวแทบจะงอกเลยนะเตือนคนอื่นเขโอโ้เอาจริงเขาจังมากเกินไปมันมันหนักเกินไปจนกระทั่งบางทีคนอื่นเขาสัมผัสความเมตตาไม่เจอเขาหาหาความเมตตาในใบหน้าหรือในท่าทางไม่เจอเนี่ย มันก็ยากอยู่เหมือนกันนะเพราะคุณคิดดูสิถ้าใครเขาเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าคุณติ้งเตือนเขาโดยที่คุณไม่ได้หวังดีหรือว่าไม่ได้ปรารถนาดีกับเขาเนี่ยเขาจะยอมรับได้ยังไงใช่ั้มเขารู้สึกว่าคุณเป็นศัตรูโดยซ้ำไปบบางทีเนี่ยคุณเนี่ยโกรธเขาคุณเนี่ยเกลียดชังเขาคุณเลยพูดอย่างไงาว่าหาทางมาเล่นงานเขาอย่างนี้อย่งนี้มันคิดไปโน่นเลยอะ่ะเพราะว่าเขาเขาหาไม่พบเนี่ย ในแววตานะพบางคนเนี่ยว่าใครติงใครนี่โอ้โหตาก็พองนะนี่ไม่ใช่เป็นโรคตาแดงนะบางคนเนี่ยตาก็พองโอ้โหจมูกก็บานนาะหน้าบึง้งตึงโอ้โหอาการเนี่ยบางทีคนเขารับยากมาบอกคุณได้เลยนะยังไงยังไงก็เพราะนะั้นอันเนี้ยที่บอกว่าให้มีเมตตาในการติงเตือน ก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยเนี่ยมีสติรู้ตัวนะคอยสํารวมคอยระมัดระวังนาะรีลาท่าทางแม้แต่ภาษาการพูดอะไรต่างๆของเราเนี่ยพยายามให้ประกอบไปด้วยเมตตาที่จะติงเตือนออกไปนะแล้วมันก็จะช่วยทำให้คนรับรับได้ง่ายขึ้นนะพันนี่คือห้าข้อสำหรับผู้ที่จะเตือนคนอื่นนะนี่คือห้าข้อ มันพยายามฝึกใครที่ยิ่งเป็นขออภัยนะขอขอพูดตามสำนวนคือใครที่เป็นลูกอีช่างตีอะนะมันพยายา ม, มนะไปฝึกห้าข้อนี้ให้ดีเพราะเขาคุณติดไม่กุณติไม่เป็นนี่คุณหาพวกไม่ทไายเลยนะใครเขาไม่อยากอยู่ด้วยกับคุณเนะี่ยเพราะว่าเขาอยู่ด้วยแล้วเขาไม่มีความสุขเลยไม่สงบเลยในชีวิตเขาเพราะงันเขไม่อยากอยู่ด้วยหรอกมันคุณจะหาพวกไม่เจอ ทั้งๆ ท, ที่บอกแล้วนะว่าการติติงเตือนเนี่ยต้องมีหมู่กลุ่มนั้นถึงจะพัฒนาถึงจะเจริญแต่ต้องฝึกที่จะติงเตือนคนอื่นว่าติงเตือนยังไงแล้วทําให้เขารับได้ น, นี่สําหรับผู้ที่ติงเตือนคราวนี้ผู้ที่รับบ้งางปรวรรณาเนี่ยใช่ไหมต ะ, ะกี้ที่บอกให้ฟังแล้วสมมุติอย่างอาตมาเนี่ยอ่าอตมาก็ปรวรรณาเพื่อนธรรมณะด้วยกันว่าอะ ว่าถ้าผมผิดพลาดหรือว่าผมมีความบกพร่องอะไรขอให้ท่านเนี่ยว่ากล่าวตักเตือนผมได้ใช่ไหมตอนนี้ก็มีคนว่ามาแล้วเนี่ยแล้วท่านท่านเวลาท่านจะว่าท่านก็ต้องทำห้าข้อนั้นตัวนี้ผู้รับผู้รับบ้างผู้รับก็ต้องรับให้เป็นถ้าคุณรับไม่เป็นต่อให้เขาติงเตือนมาครบห้าข้อก็ตามแ <c oughs> <c oughs> ต่ ว, ว่าต่อให้เขาติงเตือนมาครบห้าข้อก็ตามทาถูกต้อง ถูกกดเกณฑ์ถูกถูกอะไรนะคุณสมบัติห้าข้ อ, อนั้นเลยนะแต่ถ้าใจคุณเนี่ยของของผู้รับรับไม่เป็นแล้วก็ไม่ไม่คิดในทางกุศลไม่คิดในทางที่ดีเอาไว้อัตมาว่าก็รับใครเขาไม่ได้เหมือนกันบางคนเนี่ยเขายังไม่ทันให้คุมทรัพย์รืได้ซ้าไปอัตมาเนี่ยเยตั้งแต่ปฏิบัติธรรมมาเนี่ยเห็นมาหลายลายเลย เขายังไม่ทันให้ขุมทรัพย์เลย mm. เขยังไม่ทันติทางว่าเลย mm. เพียงแต่บางทีเขาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างเท่านั้นเองอะ่ะ mm. โอ้โหแค่นี้แหละนะหงุดหงดขัดเคืองไม่ชอบใจแล้วยังไม่ทันโดนว่าเลยนะ mm. แค่คนอื่นเขาแสดงความคิดเห็นที่ที่ค้านแยง้งที่บางทีอาจจะไม่ตรงกับเราเท mm. ่านั้นแหละคุณยังรับไม่ได้เลยแสดงว่าโอ้โหไม่ได้ฝึกจิตของการรับลูกเอาไว้บ้างเลย วันถ้าเรื่องของการรับลูกเนี่ยนะอาตอมานึกถึงอันนี้นะในพระไตรปิฎกนะเล่มที่29ข้อที่975ห้าพระพุทธเจ้าท่านตัดถึงบุคคลพึงเห็นผู้ใดผู้ชี้โทษก้าวคมขีมีปัญญาว่าเป็นเหมือนบุคคลผู้ชี้บอกขุมทรัพย์ให้คืออันเนี้ยนะพเจ้าท่าน ตัดสอนพวกเร า, เาไว้ว่าจริงๆแล้วคนที่เข้ามาติเข้ามาว่าเรายิ่งโดยเฉพาะผู้ที่มาติมาว่าเราเนี่ยโดยปกติเรารู้ว่าเออคนที่เขาก็เป็นคนที่มีสติปัญญานะเขาก็ก็อะไรอะมีภูมิธรรมหรือว่ามีศีลสูงกว่าเราหรือว่ามีการศึกษาปฏิบัติธรร ม, มาแล้วใช่ไหมยิ่งเข้ามาติมาว่าเราเนี่ยให้คุณคิดเลยเนี่ยยิ่งเข้ามาชี้โทษ โอโ้กาวคมขีดนะนี่ผู้เจ้าท่านใช้ว่าโอ้โหมันเหมือนกับมาพูดขม่มมาพูดว่าเราได้ซ้ําไปแต่ให้ให้เราเนี่ยนะรู้จักมีปัญญารู้จักใช้ความคิดว่านี่แหละบุคคลอย่างนี้แหละเขากําลังมาให้ขุมทรัพย์เราคุณต้องคิดอย่างนี้ให้ได้มันถ้าผู้รับเนี่ยคิดอย่างนี้ไม่ได้มีปัญหาแน่นอนเพราะแทนที่จะเห็นเป็นอะไรนะอาตมาเคยมาเทศอยู่บ่อยๆ แทนที่จะเห็นเป็นดอกไม้เอามาทัดหูเราเงี้ยใช่มกลายเป็นโอโหเขาเอาหอกมาทิ่มมาแทงหูเรามาแทงใจเรามันกลายไปเป็นอย่างนั้นทันทีวันผู้ที่รับจะต้องพยายามคิดให้ได้ว่าที่เขาติดมาที่เขาว่าเนี่ยเป็นขุมทรัพย์นะเป็นเงินเป็นทองมาเอาจะมาถามกูจริงๆถ้าคุณมองเห็นว่าโอ้โหนี่เป็นเงินเป็นทองเป็นของมีค่าคุณสามารถ จะเอามาซื้อหามาใช้จ่ายในชีวิตคุณได้อย่างเงี้ยถ้าคุณเห็นว่าเป็นเงินเป็นทองจริงคุณเดินผ่านไปเห็นเงี้ยคุณเดินผ่านไปเจอมาถามหน่อยเหอะคุณคุณคุณจะเก็บมาไว้บ้างไหมคุณจะหยิบเอามาไว้บ้างไหมสมมุติว่ามันมันเป็นของบางสกุลนะเอไม่มีเจ้าของเงี้ยคุณอยากจะเก็บไหมคุณอยากจะเอามาไว้ใช่ไหมคุณเอาแน่นอนอยู่แล้วคุณไม่ปล่อยไปหรอกแน่นอน มีเหลือคุณจะเดินผ่านไปเฉยๆอ่ะไม่ทางอ่ะถ้าคุณเห็นว่ามันเป็นของมีค่าใช่ไหมแต่นี่ตรงข้ามเลยถ้าผู้รับเนี่ยรับไม่เป็นอันมาทีบอกคุณไม่ยอมเห็นเป็นเพชรนินจินดาคุณไม่ยอมเห็นเป็นเงินทองเป็นของมีค่าคุณเห็นไปอะไรเป็นกองขี้หมาคุณเห็นเป็นสิ่งสกปรกคุณเห็นเป็นอะไรที่มันไม่น่าเอาไม่น่ามีอย่างเงี้ย รับรองว่าคุณไม่เอาแน่ไม่เพียงแต่ไม่เอาไม่อยากเดินเข้าใกล้ด้วยใช่ไหมไม่อยากเฉียดผ่านเลยเพราะอันนี้ถ้าผู้รับเนี่ยไม่ไม่มีสติไม่ตั้งจิตตัวเองให้ดีในการรับเอาไว้ด้วยไม่ฝึกเอาไว้เพย่อไงเมื่อคุณไม่ฝึกเอาไว้มีปัญหาแน่นอนแล้วอยู่ในหมู่กลุ่มอาสกอัตมาบอกคุณไม่ได้เลยว่าคุณต้องเจอการตติเตือนไม่ว่าใครทุกคนไม่ไม่ละเว้น ไม่ยกเว้นเลยทําไมถึงกู้อย่างนี้พ่ออะไรเพราะขนาดพ่อท่านก็ยังโดนเลยบางทีฉัน <laughs> <c oughs> ไมล่ล่ะนับภาษาอะไรละ่ะที่ต่ํากว่านี้ลงมาจะไม่โดนมั <c oughs> นโดนทุกคนและอโศกเราเนี่ยที่คนอื่นเขากลัวแล้วเขาไม่ค่อยกล้าเข้าเนี่ยนี่แหละเขากลัวขุมทรีอันนี้ของพวกเราเนี่ยแหละรู้สึกเขาแบกไม่ค่อยไหว <c oughs> เขาแบกขุมทรัพย์นี่ไม่ไหวกันเพราะว่าพวกเรานี่ดีิดยิงเตือนจริงๆ แล้วอย่างว่ายังไม่ค่อยฝึกห้าข้อนั้นให้ดีไงมันบางคนเนี่ยมาตจริงเตือนอะไรไม่เข้าทีไม่เขา้เขาท่ามันบางคนก็เลยรับไม่ได้แล้วก็เลยโกรธ ถ, ถือสาแล้วก็เลยไม่อยู่ไม่มาอาโศกอีกต่อไปเลยก็มีบางทีเนี่ยอาตมายังได้รับจดหมายบ้างหรือว่าบางคนก็มาพูดให้ฟังบ้างนะวันนี้ไปเจอคนนั้นไปเจอคนนี้แล้วก็อย่างเนี้ยโอ้โหบอกเขารับไม่ได้เลย นะซึ่งอันนี้อาตมาก็อยากที่จะให้คนรับต้องหัดรับด้วยเพราะนนั้ผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมกับชาวโศกต้องรู้นะอันนี้เป็นพุทธพิธีอย่างหนึ่งที่พระเจ้าเนี่ยเอามาให้พวกเราเนี่ยได้ฝึกแล้วก็ได้ใช้เพราะฉะนั้นใครเนี่ยทีย่ยิ่งโดนตีติเตือนแล้วเราก็รับได้แล้วเราก็เอาไปแก้ไขปรับปรุงคนนั้นยิ่งรวยแต่พูดอย่างนี้เลย ไม่ใช่เดี๋ยวเออฉันแกล้งทำอะไรผิดๆเยอะๆหน่อยฉันจะได้รวย อ, อยากลองดูก็ได้นะหลายคนแล้วนะกระเด็นกระเด็นไปไหนก็ไม่รู้นะถ้าไปท้าทายแบบเนี้เพราะันเราอย่าไปไอ้นั่นจริงๆแล้วเนี่ยมันได้เองมันได้โดยโดยพฤติกรรมหรือโดยธรรมชาติเราทำไปอะไรไม่เหมาะไม่ควรก็โดนะ อ, อย่างอาตมาเนี่ยเออเคยพูดให้ฟังเหมือนกันนะ มีเหมือนกันกลุมทรัพย์แบบนี้คือเพื่อนสมาคด้วยกันในให้อดมาในงานมหาปรณาเนี่ยมีให้อยู่ปีหนึ่งนะให้ว่าท่านเนี่ยโชคร้ายนะที่ท่านเนี่ยไม่ค่อยได้กลุมทรัพย์จากใครสักเท่าไหร่ระวังนะเนี่ยทําตัวดีมากไป น, นะเออเราฟังแล้วก็ปแปลกๆดีเหมือนกันนะไม่รู้คราวนั้นจะเป็นคราวที่ที่บอกว่าให้ชมกันหรือเปล่าไม่รู้นะ นะเออท่านไม่ได้แบบติหรอกแต่ว่าท่านแบบชมเนี่ยแต่ในชมนั้นนะมันติอันนี้อยูอ่บอกว่าเพราะนั้นเนี่ยระวังก็เตือนอ่ะบอกว่าระวังนะจะรับลูกไม่เป็นจะรับลูกไม่เก่งยิงด้วยนะเผลอได้นะถ้าใครเนี่ยไม่ฝึกที่จะแบบว่าโดนติโดนว่าแล้วก็หัดรับเอาไว้หัดรับลูกให้เป็นถ้าคุณไม่ฝึกไว้นะั้นเล็กๆน้อยๆโดนนู่นนิดโดนนิดหน่อยคุณไม่ฝึกเอาไว้เนี่ย คุณมาอยู่อโศกนี่รับรองเลยคุณปวดหัวแน่เลยว่าคุณไปทําอะไรเนี่ยเรามีประชุมเรามีพิจารณาเรามีบอกกล่าวกันอัน น, นี้หนีไม่พ้นวันถ้าใครฝักฝึกรับลูกเวบเป็นแล้วเนี่ยนะโดนติโดนว่าอะไรเราก็ซ้อมรับนะอย่าไปรีบเถียงอย่าไปรีบอะไรนะบางคนนี่พอแหมพอโดนมาปั๊บเถียงเลยเถียงเลยอันนี้ไม่รับเลยนะนี่ประเภทนี้ไม่รับเลยแสดงว่าหัว ฉันไม่ผิดฉันถูกแล้วฉันเถียงลูกเดียวคือประเภทนี้ไม่ยอมรับเหมือนกันเพราะฉั้นหัดรับลูกเนี่ยคือรับมาเลยจะถูกจะผิดยังไงหัดรับมาให้ได้รับรับมาแล้วก็หัดทําใจเราแล้วก็ให้เห็นเป็นกลุมทรัพย์ให้ได้แม้ว่าบางทีเขาว่ากล่าวเรามาผิดพลาดไม่ถูกต้องทั้งหมดก็ตามแต่อาจจะมีส่วนถูกบ้างนะไอ้ส่วนถูกนั้นน่ะที่เขาว่ามาถูกต้องเราก็มาปรับมาแก้แต่ส่วนไหนที่เขาว่าเรามาผิดใช่ไหมก็ไม่เป็นไรเนี่ยก็เขาว่าเรามาผิด อยู่แล้วเราไม่ได้เป็นอย่างนั้น้นนก็ไม่มีปัญหาอะไรหรืออธิบายบ้างก็อธิบายไปแต่อย่าไปเถียงเพราะบางคนเนี่ยเถียงเลยทึ่งจิตที่มันไปเถียงไปอะไรเนี่ยมันเป็นจิตที่มันเริ่มไม่ยอมรับแล้วมันฝึกเนี่ยสาหรับผู้รับยิ่งคุณมองเห็นเป็นกลุ่มทรัพนะที่พระเจ้าท่านตับเนี่ยนะเนี่ยพึงคบหาบัณฑิตนะบัณฑิตที่ให้กลุมทรัพย์เราเนี่ยเมื่อคบบัณฑิตเช่นนั้น มีแต่คุณอันประเสริฐไม่มีโทษอันลามกเลยบุคคลพึงกล่าวสอนพึงพร่ำสอนและพึงห้ามจากธรรมของผู้ที่มีความเห็นผิดบุคคลนั้นเป็นที่รักของพวกที่มีความเห็นถูกเป็นที่ชังของพวกที่มีความเห็นผิดคือ เ, เนี้ยพระเจ้าท่านตรัสเอาไว้บอกว่าถ้าเราเนี่ยรับลูกเป็นรู้ว่าที่เขาติเขาว่ามานะ่ะเป็นขุมทรัพย์นะเราไม่มองเห็นเป็นเป็น สิ่งปฏิกูลเป็นของน่ารังเกียจนะถ้าเรามองเห็นอย่างนี้ได้เนี่ยแสดงว่าคนที่ติเราเนี่ยก็ต้องเป็นเพื่อนเราเป็นพี่น้องเราจริงๆแล้วทำไมอ่ะเพื่อเราพี่น้องเราหรือคนที่เขาอยากจะให้เราดีขึ้นมาเนี่ยทำไมอ่ะทำไมเราเราไม่หวังความปรารถนาดีอันนี้จากเขาทีนี้ันจะต้องมองให้เห็นเป็นความปรารถนาดีให้ได้ อ ย, อย่าไปคิดว่าใครมาติเรานี่เป็นความประสงค์ร้ายหรือเป็นการที่จะมาแกล้งเราถ้าใครเริ่มต้นในความคิดอย่างนี้เนี่ยคุณคิดผิดนเราไปไม่รอดนะเพราะ น, นั่นอันเนี้ยทาที่ไหนก็ตามมีการติดติงเตือนกันอย่างนี้แล้วเข้าใจอย่างถูกต้องอย่างนี้นะคนที่ติงคนแบบนี้นะแล้วก็รับลูกเป็นอย่างนี้ผู้เจ้าบอกว่านี่นะจะเป็นที่รักของคนที่มีสัมมาทิฏฐิ เันคนที่สัมมาทิฏฐิเนี่ยจะเห็นเป็นขุมทรัพย์แล้วก็จะรับได้แต่คนที่ยังมิจฉาทิฐิคุณจะไม่เห็นเป็นขุมทรัพย์เะนั้นคนแบบเนี้ก็จะเกลียดคนที่มาติจะเกลียดคนที่มาว่ามันตรงเนี้ยพระเจ้าท่านสรุปไปตรงนี้เมันถ้าเราเนี่ยเข้าใจนะวันนี้เราเข้าใจอันนี้ได้เราจะเข้าใจเนื้อหาของการปรวารณาแล้วเราจะเห็นผลบุญผลประโยชน์ ว่าโอการประปนนานี่มีคุณค่ามีประโยชน์อย่างนี้นี่เองเราจะทําให้คนนั้นเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นทั้งด้านจิตใจเนี่ยน่เราจะมีความบริสุทธิ์มีความจริงใจน่าจะพูดจาอะไรกับใครจะติงเตือนใครเราก็จะมีความน้เมตตามีความอะไรอะ่ะมีประโยชน์น่มีการรู้กาลเทศะน่เป็นคําจริงน่ต่างๆเหล่าเนี้ เราจะแบบว่าใช้ได้อย่างดีเลยแล้วตอนนี้คนที่อยู่รอบข้างเราก็จะพลอยได้ขุมทรัพย์จากเราไปจริงๆเพราะนั้นไปลองสังเกตดูนาะไปวัดดูจากตัวเราเองเนี่ยว่าเออนะจากพระสูตรนี้จากข้อปฏิบัติเหล่านี้ที่พระเจ้าท่านสอนพวกเรามาเนี่ยเราไปทำได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้ายังยังน้อยอยู่ยังไม่มากพอฝึกขึ้นอีกเสริมขึ้นอีกแล้วคุณจะเห็นความ แตกต่างได้ทันทีเลยว่าพอเราไปทําแล้วเออจริงๆด้วยคนที่อยู่รอบข้างเรานี่เขาเขาเปลี่ยนแปลงแล้วเขาก็ดีขึ้นนะโดยเฉพาะจริงๆนะ่ยตัวเราเปลี่ยนแปลงเองก่อนคนรอบข้างเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราแล้วยิ่งเราให้คุณทรัพย์เป็นเนี่ยโอ้โหคนรอบข้างเขาก็จะยิ่งแบบว่าพัฒนาตามเสริมกันไปด้วยแล้วนี่แหละนะคือบทสรุปว่าก็จะทําให้เราอยู่ร่วมกันแบบนะเป็นผู้ที่ มีมิตร ด, ดีสหายดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการปฏิบัติธรรมอา้าวสำหรับวันนี้ก็คงยุติการแสดงธรรมไปเพียงเท่านี้